จเจ ร, ริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามเป็นครั้งที่สองแห่งการบรรยายใอวันที่สิบสองสิบสามเดือนเมษายน พศ 2,554 เกี่ยวกับวันสงกราน์วันสงกราน์ทางภาพใต้เมื่อจะมหมก่อนเ ข, เขาก็ไม่ได้พูดกันเรื่องคำว่าสงกราน์ แต่ทุกคนจะรู้จักกันว่าวันว่างวันว่างวันนี้เป็นวันว่างยิงนี้เมื่อก่อนชาวนาราตมาเป็นชาวนาก็ต้องพูดเรื่องชาวนาชาวนาก็ทำนามากๆ เทคโนโลยีก็ยังไม่พร้อมทำด้วยการไถกระวัวไยหวานเหลือเต่ไร่ก็ดำเสร็จแล้วก็คอยดูแลถ้าตรงไรมันว้าวมันแหว่งไปบ้าง ก็ไปซ่อมบางทีปูมันกินหนูมันกินก็ต้องไปซ่อมใหม่ที่นี่พอถึงเวลาเดือนสามข้าวจะออกรวงเต็มไปหมดพระบ้านอาตมาอยู่ที่กลางทุ่งนา ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะยังเป็นเด็กออกจากบ้านมาอายุสิบห้าปีมาบวชเป็นสามเณรแต่พอคิดทบทวนไปข้างหลังในสมัยนั้นข้าวเต็มทุ่งนามองไปทางไหนก็จุดสายตา ตอนที่ข้าวไม่ออกรวงก็เขียวสดไปหมดไม่มีอะไรผลมีต้นตาล น, นิดนิดหน่อยๆน่อยอกนั้นก็ข้าวทั้งนั้นพอถึงเวลาข้าวออกรวงก็ อ, ออกพร้อมกันหมดแสนที่จะสดชื่น แต่ก็ชาวนาไม่มีความรู้สึกอาตมาทบตวนไปข้างหลังในชีวิตที่ผ่านมามันไม่มีอะไรสบายอย่างนี้อีกแล้ววิทยบริเวณรอบๆ บ, บ้านโยมพ่อก็จะทำไรนาสวนผสม ปลูกคูรอบบ้านปลูกกล้วยปลูกก ร, รกกะถินปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างแม่พวกผักเราก็ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดผักในตุ้งนาเองก็มีผักที่ปลูกเองก็มีมีกล้วยมีอ้อยมีอะไรทุกอย่าง บ้านรอมบ้านไปหมดแล้วบ้านก็อยูบริเวณกว้างในสมัยนั้นถ้าก็มีวัวอยู่ฝูงหนึ่งประมาณทักสิบกว่าตัวเพราะชาวนากับวัวนี่ต้องคู่กันมีเวลาว่าง ไปหาปลากันมันมีปลาชุกชุมไม่ต้องเชื้ออะไรในสมัยนั้นมีเกลือก็พอแล้วไม่ต้องมีอย่างอื่นนอกนั้นก็กลับตุนเอาไวา้ไม้ฟืนไม้ฟืนไม้ฟืนพอเดือนส1บอ็ดน้ำนองเดือนสิบสองน้ำก็เต็มตะลิง่ง แต่ละบ้านก็หาเรือกันมาเรื อ, อตัวโตวหน่อยแล้วก็มาทางนี้มาทางใกล้ๆทะเลน้อยทะเลน้อยมันก็เป็นป่าหมดมาหาไม้ฟืนกันคือมาตัดไม้ในสมัยนั้นมันเป็นป่าสาธารณะเดี๋ยวนี้ก็มีน้อยแล้ว นี่เขาได้ไม้คืนไปสักลำช่องลำเรือนี่พอแล้วปีหนึ่งเขาไม่โลภเขาไม่ได้เอาไปขายเอาไปใช้ปีปีหนึ่งก็เอาไปใช้ก็มีเท่านั้นทํานาได้ข้าวห้องสองห้องเราต้องเกี่ยวเราต้องเก็บได้ข้าวห้องสองห้อง ก็พอกินเหลือกินจะใช้จ่ายก็ใช้จ่ายกับข้าวนั่นแหละข้าวเป็นเรียงๆนั่นแหละใช้จ่ายในนั้นทางนั้นหมดถึงเวลาข้าวสุกพอข้าวสุกจมหติว่าของเรายังไม่สุก ข, ของคนอื่นเขาสุกเ ข, ขาก็ย้าง อาตมานี่ต้องเก็บข้าวจ้างด้วยเก็บข้าวจ้างเพราะเก็บข้าวจ้างนี่เงินได้เองการเก็บของเองน่ะมันไม่ได้เงินก็เลยเก็บข้าวจ้างตั้งแต่เด็กๆเก็บข้าวจ้างอายุสิบ ป, ปีนี่เก็บข้าวจ้างแล้วรัวเอาไม่ถึง พวงข้าวไม่ถึงข้าวมันสูงก็เอาไม้มาคมคมคมค ม, คมขก็จะมีไม้สําหรับที่จะคมให้มันค้อมลงแต่เราก็ได้เก็บสบายนี่ก็รีบเก็บกันในสมัยนั้นรีบเก็บเก็บที่นี้เก็บของคนอื่นจนข้าวของตัวเองสุกก็ามาเก็บข้าวของตัวเอง สมัยนั้นคือหลวงพ่อนี่ต้องช่วยเหลือตัวเองมาตลอดเวลามันมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นภาระพ่อแม่ซื้อเสื้อซื้อกางเกงหาเองทั้งนั้นเลยมองไปดูข้างหลังเออเรานี่มันเป็นเด็กยังไงถ้าพ่อแม่ซื้อให้นี่ไม่ชอบชอบซื้อเอง ชอบหาเงินเองอะไรเองชอบทำเองทั้งนั้นทีนี้ก็สะสมเงินเอาไว้สะสมเงินนี่การเก็บข้าวเก็บธนาร่วงเก็บๆก็บเก็บก็บก็บก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนสาม เดือนสี่นี่เต็มเต็มเลยเพราะเดือนสี่เต็มเต็มเก็บยังไม่หมดแต่ละเจ้าแต่ละเจ้ายังไม่หมดถ้าก้อยของใครหมดก็เก่งเก็บยังไม่หมดเพราะเก็บยังไม่หมดหข้าวนี่มันก่อยแห้งลงทุกวันทุกวันทุกวันทำงานแข่งกับเวลาเลยทีนี้ ทีนี่เราก็ต้องพูดกันเรื่องคำว่าสงกรานต์สงกรานต์วันที่สิบสามคือวันนี้ข้าวของใครยังเก็บไม่หมดโอกาสที่จะเที่ยวสงกรานต์มันมีน้อยเที่ยวก็ไม่มีอะไรอื่นไปวัดแค่นั้นเองทีนี้เราก็ไม่พูดว่าสงกรานต์ เราพูดกันว่าว่างนี่พอถึงเดือนเมษานี่วัดต่างๆก็จะจัดงานก็คือางานว่างนั่นแหละมีหนังแต่รุ่งมีมโนราสำหรับที่จะประจันกันก็นันบนับว่าที่วัดนั้น กี่คักี่ข่้กี่ข่้ไม่มีปฏิทินใช้หรอกนับข่้มขึ้นสิบขั้ขึ้นสิบเอ็ดข่มสิบสองะไรว่ากันเรื่องคั้มดังนั้นเลยนี่ถ้าหากว่าใครเก็บข้าวยังไม่หมดพ อ, อถึงวันที่สิบสามแล้ว ก็ท้อใจทีนี่เปิดเลยใครจะเอาก็มาเก็บได้เลยใครที่จะมาเอาข้าวในนาของเราเนี่เก็บได้เลยเขาทำกันอย่างนั้นคือเปิดเลยเปิดเลยใครต้องการก็ได้ทีนี้วันว่างวันนี้เป็นวันว่างเอวันว่าง เตรียมพร้อมกันทุกอย่างเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไปวัดเด็กๆ ก, ก็ไปวัดผู้ใหญ่ก็ไปวัดหนุ่มสาวก็ไปวัดเต็มวัในวัดมีคนเต็มนี่ก็เรียกว่าวันว่างวันนี้คือวันว่างพอมาสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่าวันจงกระดานเปลี่ยน ตามที่จริงมันดีอยู่แล้ววันว่างนี่วันดีอยู่แล้วทีนี้เราถูกอิทธิพลตางบ้านเมืองที่เจริญมาครอบงําปใช่ไหมในวันว่างก็จะเล่นเซบากันก็จะเล่นทอยหลุมกันอะไรกันแต่เล่น ไม่ได้เอาเงินกันนั่นคือผู้ชายเล่นกันสนุกสนุกในวัดไม่ได้เล่นไฮโลกันอะไรกันเล่นกันสนุกทีนี้ผู้หญิงก็ดังหวังเตศกันอะไรกันส่วนเด็กๆ ก, ก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของเด็กๆเด็กๆ ก, ก, ก็เล่นกันในวัดทีนี้ทองนะ ส่้ยอยคอสอยมือแหวนตุ้มหูนี่ไม่ได้แขวนก็จะแขวนเวลามาวัดก็จะแขวนเวลาไปโน้นไปนี่ไปทำบุญคนมากๆไม่ได้แขวนมาราธอนเหมือนกับคนสมัยนี้ขากลับมาถึงบ้าน้วก็ถอด เก็บเอาไว้ยอย่างนั้นนะคือเห็นพี่สาวก็ททำกันอยู่อย่างนั้นแต่คนแก่ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรนี่คือวันที่สำคัญคือวันว่างนี่เราต้องรู้ว่าวันว่างก็คือวันสุญญ า, านั่นแหละวันสุญญ า, านั่นวันว่าง มันดีอยู่แล้วในภาคใต้เนี่ยอบรรปบุรุษของเราก็ได้ฝ่าก็ไว้เรื่องของวันว่างนีให้เราก็ไม่รู้พระท่านก็ไม่ได้พูดเรืเลยนี้เกี่ยวกับคำว่าวันว่างทีนี้วันว่างของเรานักปฏิบัตินี่ต้องเห็นสุญญาตา สุญญตาคือความว่างเราจะเห็นทีเดียวไม่ได้เราต้องเดินมาจากอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงทุกขังยึดมั่นถือมั่นอะไรก็เป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกในตัวของมันเองอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขัง เป็นทุกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นทุกขงังแค่ก็เปลี่ยนไปเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอน ต, ตาทีนี่ที่เราไม่เห็นคนที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนพวกนั้นเห็นอะไรเขาก็เห็นนิจจังเห็นทุกอย่างที่ยังไปหมด เที่ยงไปหมดเห็นทุกอย่างยั่งยืนไปหมดเป็นเหมือนเดิมไปหมดเห็นนิดจังแล้วก็ก็สนุกสนานสุขขังเห็นสุขขังหาความสนุกสนานทางตาหาความสนุกสนานทางหูจมูกลิ้นกายใจหาสุขขังก็หาสุขขัง ก็เหมือนในสมัยนี้แหละวันสงกรา น, นี้ต้องเที่ยวไม่พิเศษเหมือนกับพวกเราที่มาจากกรุงเทพบางมาจากสุราษฎร์บางพิเศษด้วยการมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะขัดเกลาตัวเองเมื่อยามที่ทางโรงงานหรือว่า การทำงานของเราพักเราก็มาพักผ่อนด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังนี่เรียกว่าทำเวลาให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นการเดินไปสู่ความว่างต้องเดินทางอนิจจังทุกขังอนัตตา ส่วนทางเดินที่เราเคยเดินคือนิจจังเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเที่ยงรองทั้งร่างกายทั้งจิตใจนี้เห็นเป็นของเที่ยงหมดอันนั้นสลัดทิ้งไปเลยพิจารณาให้เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วคําว่านิจจังมันก็จะสลายตัวไปคําว่าทุกขัง ทุกขังเนี่ยแปลว่าน่าเกลียดร่างกายนี้ก็เป็นของน่าเกลียร์มไม่ได้สวยงามอะไรที่ไหนเลยมันน่าเกลียด์ ต, ตอนหนุ่มๆสาวๆก็พอดูหน่อยพอแก่กันความน่าเกลียร์ก็ปรากฏทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีมองเห็นชัดเจนเลยทีนี้เห็นว่าน่าเกลียรก็อย่าไปเกลียดตัวเอง เห็นว่าสวยงามก็อย่าไปชอบตัวเองเพราะพอเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเองมันไม่ใช่ตัวเองแต่เราคิดว่าตัวเอง ม, มีความสุขนั่นคือสุขขังแต่ว่าสุขขังนั่นแหละมันก็คือทุกขเวทานามันก็คือทุกข์นั่นแหละมันจะบอกให้ฟังเมื่อตอนคำว่า โดนหน้านะดนหน้านะักร้องนั่นแหละผ่าตัดตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นผ่าตัดหมดอ้าวที่แขนมันยังแก่อยู่มันเนื้อมันย่นเวลาร้องเพลงเลยก ท, ทําท่าทําทางเลยไปกอดหนุลหนุ่มดูมือที่เหี่ยวเหียวเป็นมือที่น่าเกลียดก็ต้องไปหาสุขขังให้มืออีก ให้หาทุกข์งังดิแต่ตามที่จริงมันก็ไม่ใช่ทุกมันคือทุกข์นั่นแหละ <c oughs> มันปรากฏให้เราเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขขังน่าเกลียดอนัตตาเพราะมันไม่ใช่ตัวตวนทีนี้ไอ้ที่เราเห็นกันเป็นประจำที่มันชินจนเป็นนิสัย นิจจังความเที่ยงสุขขังเที่ยวกันเลยวันนี้หาความสุขหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจหาความสุขกันวันนี้ตั้งเป้าวอวา้ไปเที่ยวที่นั้นไปเที่ยวที่นี้เพราะเรามีรถราสะดวกตอนนี้มีเครื่องสะดวก คนที่มีฐานะหน่อยก็ไปเมืองนอกเมืองนาไปโน่นไป น, น, ไปนี้ไปเที่ยวไปเที่ยกันก็คือไปหาความสุขหาความสุขทางตาหาความสุขทางหูทางในกรุงเทพเองนี่ก็ไปกินตรงนั้นไปดื่มตรงนี้ก็คือไปหาความสุขทางลิ้น และมันไม่มีเฉพาะลิ้นมันก็มีการเต้นรนํามีอะไรต่ออะไรโจ้นั้นคือความสุขทางตา แ, ตและใ น, นนั้นแหละในบริเวณนั้นมันก็มีเพลงมีอะไรความสุขทางหูความสุขทางจมูกความสุขทางลิ้นความสุขทางกายความสุขทางใจไปพิจารณาดูดิ ทุกทางนั้นเลยนั่นคือความทุกข์ทางนั้นเลยถ้าเขาพาหลวงพ่อไปร้านอาหารใหญ่ๆญแล้วก็ที่ก็มีอะไรครบทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อไม่รู้จะทำยังไงสงสัยคงนั่งปิดตานั่งสมาธิปิดตาปิดตาภาวนา ไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่เอาอะไรทั้งนั้นมันมันแสนที่จะทรมานมันจะทรมานใจเพราะเราไม่ต้องการและสิ่งอย่างนั้นความสุขของเขาคือความทุกข์ของเรามันเป็นความทุกข์ของเรานี่เรียกว่าสุกขังนั่นแหละมันก็คือทุกขังทีนี้เขาเห็นเป็นตัวกูไปหมด ทุกอย่างเป็นตัวกูไปหมดสนุกสนานกันให้ตัวกูสนุกสนานร่าเริงจนลืมตัวก็มีเอร้ายอะไรต่างๆเกิดขึ้นจนเสียชีวิตกันไม่รู้เท่าไหร่น่าเสียดายชีวิตนี่คืออัตตาอัตตา นิจจังทุกขังอัตตาไม่ใช่ทางเดินของพวกเราพวกเราต้องเดินอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงของรูปของเสียงของกลิ่นรสพุพธะธรรมารมณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกเห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลง เพราะว่าทุกอย่างว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนวันหนึ่งตอนที่อยู่สวนโมกเพราะอายุตอนนั้นมันก็ข้าวเ็นจเพมีคนงานยี่สิบกว่าคนมีเด็กๆ ด, ด้วยอะไรด้วยเพื่อนๆตอนที่กลุ่มงานอยู่ก็มีดนตรี ในตัวอำเภอกปชวนกันไปดูดนตรีไปดูดนตรีลงพ่อก็ไปกับเขาด้วยเพาเพื่อนๆก็อ า, อายุไร้เลี่ยกันไปไปทีนี้ไปดูลิเกดูลิเกก็ไปดูหลังฉากมันหเห็นมันมีอะไรเลยอ้าวดูเขาดนตรี โอ้ยไม่ไหวแล้วฉันตนไม่ไหวแล้วบอกตัวเองว่าฉันตนไม่ไหวแล้วทำยังไงเพราะว่าจากสวนโมกไปที่ชั ย, ยามันสี่กิโลครึ่งก็บอกเพื่อนว่านี่ฉันจะกลับแล้วก็ไม่ได้บอกเขาว่าเป็นยังไงหรอกบอกว่าจะกลับแล้วเพื่อนบอกว่าไปยังไงไปคนเดียว ไม่เป็นไรฉันไม่กลัวหรอกฉันไม่กลัวฉันกลับคนเดียวได้นี่คือดูไม่ได้แล้วเพราะดูแล้วมันเห็นแต่พวกกระดูกเห็นมันรองเร่งเห็นกรามวันเห็นฟันมันเห็นมันทํำอะไรดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยมันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาชอบคนลอบคนมันเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อมันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา นั่นเรียกว่าเห็นทุกขังนั่นเห็นทุกขังนี่เราจะต้องปฏิบัติให้เห็นอนิจจังให้เห็นทุกขังให้เห็นอนัตตาเอาอานิจจังไปปรับกับนิจจังเอาทุกขังไปปรับกับสุขขังหรือสุขจมอมปลอมสุขจริงๆมันไม่มี เอาอนัตตาไปปรับกับตัวอัตตาคือตัวตนทีนี้พอสามตัวนี้ปรับปรับสามตัวนี้เป็นเห็ <c oughs> นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสิ่งที่เราจะเห็นต่อมาก็คือสุญญาตาหลวงพ่อพูดไปหลายปีแล้วสุญญาตาทีนี้จะเห็นสุญญาตาเห็นสุญญาตา เราก็ต้องภาวนาจุญญาตาเอวนาคำว่าว่างว่างว่างว่างว่างว่าว่างเอาไว้ว่างเอาไว้ไอ้ที่เห็นก็ว่างไอ้ที่ได้ยินก็ว่างที่ได้กลิ่นก็ว่างที่ลิ้มรสก็ว่างที่สัมผัสทางผิวกายก็ว่างที่รู้ทางใจก็ว่างมิได้รู้ให้ละเอียดกว่านั้นไปอีก เราก็ต้องทำให้ละเอียดเช่นการที่เราทานอาหารก็้าไปนี่มันก็จะไม่ว่างลิ้นมันก็จะไม่ว่ า, งอ า, า, วา ง, องอาหารมันก็จะไม่ว่างรถของอาหารก็จะไม่ว่างความรู้สึกมันก็จะไม่ว่างเพราะความเคยชินที่เราอยู่กับความไม่ว่างที่นี่หลวงพ่อ ก็ปฏิบัติมาในเรื่องนี้เนี่ปฏิบัติมาโดยไม่ใช่ว่าพระเดชพระคุณท่านอาจารย์จะสอนว่าอย่างนี้คือมันทําเองมันทํามันเองก็เลยต้องนับคําอาหารทำที่หนึ่งจักแต่ว่าท่าด้วงทาด้วงทาด้วงทาด้วงท่าด้วงเคี้ยวเคี้ยวก็ท่าด้วงท่าด้วงท่าด้วงเข้าไป จนกลืนก็ธาตุว่างนี่ทำห้ชินอย่างนั้นเราทําทำ้ชจินเดินพอยกย่างก้าวไปไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่เดินจงกรมอย่างเดียววันเด่งเราจะต้องเดินทีนี้เดินเราก็ต้องเดินว่างนั่งเราก็ต้องนั่งว่างทำงาน เราก็ต้องทํางานว่างกินก็ต้องกินอาหารว่างไอ้คนกินมันก็ต้องว่างนุ่งห่มก็จะต้องพิจารณาเสื้อผ้าเป็นของว่างผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้าก็เป็นของว่าง <c oughs> <c oughs> นี่เลยเป็นการเจริญคําว่าว่างคําว่าว่างให้มาก จเริญคําว่าว่างนี้ให้มากให้ว่างเอาเรื่อยๆเจนี้ไอ้ไม่ใช่กูนั่นคือว่างไม่ใจอกูไอ้ที่ภาวนาว่าไม่ใจอกูนั่นแหละคือว่างว่างจากอะไรก็คือว่างจากกูนั่นแหละมันว่างจากกูนั่นแหละนี่ให้มันว่างไปเรื่อยๆจนข้าวเนื้อข้าวตัวเลยจนข้าวเนื้อ แต่นั้นก็ต้องเดินทางอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอนัตตาแล้วก็จะเห็นสุญญาตาโดอจะเห็นความว่างไม่จะเห็นความว่างจะโพาตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราเห็นนี่รูปเราเห็นรูปอะไรแห่นที่มันเห็นไปทั่วหมดแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปปักใจในอะไร แต่ถ้าในถ้าไปปักใจเช่นไปปักใจในเรื่องว่าไอ้ดอกไม้นี้สวยอ้ามดูเลยเพ่งดูเลยจริงสวยมันยางไงนี่เวลาเท่าไหร่ก็ล่วงเวลาไปล่วงเวลาไปล่วงเวลาไปมันไม่สวยแล้วมันไม่งามแล้วทีนี่พระกฏ ท, ที่เขาไปเจริญอาถรรพกรรมฐาน ไปดูซากศพสมัยก่อนถ้าคนตายมากๆเผมไม่ทันพเผอไม่ทันเขากอกค้างเตึงเอาไว้อย่างนั้นมีพระที่ท่านปฏิบัติทรรมท่านก็ไปเจริญอาสุพัทคือความไม่สวยไม่งามทีนี้ ถ้าสมมติว่าเขาเอาไปกองไหว้กองไหว้กองไหว้เอาศพนั้นไปเทินไว้คือเอาไปกองไหว้กองไหว้กองไหว้เมื่อในประเทศอินเดียในสมัยโน้นเนี่เขาก็จะเอาไปกองไหว้กองไหว้กองไหว้ให้อีเล้อีตามันกินทีนี้อย่างประเทศญี่ปุ่นที่ตายกันเป็นหมื่นหมื่นน่ะก็ต้องเก็บออกมากองเอาไว้ก่อนเอามากองไหว้กองไหว้กองไหว้กองไหว้ ก็วายเลยก็ขุดหลุมเอารถรถเจ็เตอร์มาขุดหลุมแล้วก็ฝังลงไปอีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมเขาต้องดูดูตอนที่เขาเออกมากองไว้นั่นแหละดูตั้งแต่ตอนที่ตายโน่นตอนที่ออกมากองไว้มันก็มีแต่อนิจจังมีแต่หน้าใะอิดสเีเยนมันทุกขังอนิจจังเลยก็ทุกขัง นอนปีนป่ายน้ำเรื่องน้ำเหลืองน้ำเน่าไหลดูไม่ได้ดูไม่ได้ผมเป่าก็ดูไม่ได้อะไรก็ดูไม่ได้ทีนี้อย่างที่อะไรญี่ปุ่นอย่างนี้บางคนก็แขนขาดบางคนก็ขาขาดบางคนก็คอขาดบางคนก็เท้าขาดบางคนก็กลางตัวขาด บางคนก็ใส่ตะลักออกมาบางคนก็มีเดชสีสาะอะไรอย่างนี้นี่แหละลาบมันวิเศษเลยอย่างนี้เป็นลาบมันวิเศษเลยนี่เรียกว่าการพิจารณาให้เห็นอจุภะความไม่สวยไม่งามที่เราหลงเราหลงว่าสวยว่างามนั่นน่ะมันจะเกิดทุกข์ขังพอเกิดเรา ถ่ายเอาไว้เราถ่ายเหมือนกับถ่ายวีดีโอเหมือนกับเราถ่ายกับกล่องกล้องเราที่มือถือนีอ่แต่เราไม่ถ่ายอย่างนั้นถ่ายติดเอาไว้ในจิตของเราเลยถ่ายไว้มันติดทีนนี้มันมีธรรมเนียมอยู่อย่างนึงที่บ้านหลวงพ่อนี่เด็กๆนี่เด็กทารกนี่เขาไม่ให้ดูศพ เพราะเพราะยังไงก็กลัวเด็กมันจะกลัวแม้เด็กใครเขาถามหยิบศพไปหรือว่าเอาหยิบศพมี่ส่เรือที่เอาไปเผาในวัดนี่ถ้าเด็กเด็กเห็นเขาจะเอาอ้นั้นเน่ยไอ้ทีติดที่ก้นหม้อดำๆนั่นแหละเอามาติดที่หน้าผากเด็กอย่าให้เด็กกลัวคืออย่าให้เด็กกลัวก็ทําอย่างนั้นทีนี้ หลวงพ่อนี่ชอบดูศพตอนที่เป็นนักเรียนตัวเล็กๆพอใครตายนี่โรงเรียนพักเขาก็ไปดูแล้วจะไปดูแล้วลเวลาเขาเผาก็จะไปดูเวลาเขาเปิดก็จะไปดูแล้วก็จะไปดูมันชอบดูคือมันชอบดูนี่คือนิสัยที่มันมาแล้วอย่างนั้นก็เลยเราก็เพิ่มนิสยัยอันนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ขึ้นจนให้เห็นอนิจจังให้เห็นทุกขังให้เห็นอนัตตาให้เห็นอนัตตาฉพระนั้นเราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่คนอื่นไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่สิ่งอื่นที่วัตถุอื่นเราก็ดูอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ตัวเราดูที่ตัวเราเนี่ย เพราะมันเปลี่ยนแปลงและมันก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาที่ตัวเรานี้บางคนนานๆเห็นกันครั้งหนึ่งโอ้เขาก็แก่เราก็แก่เออมันก็แก่เท่าเท่ากันก็แก่เท่าเท่ากันบางทีแก่จนจําไม่ได้จนคนนั้นเราจำไม่ค่อยที่จะได้บางทีว า, วานซืนนี่ ลูกเสร็จเขามาเยี่ยมเอาลูกเอาหลานเอาเคยเอาสะพายมาเยี่ยมเออมันแก่กว่าเราอีกเราขนาดนี้เออมันแก่กว่าอีกทาไมมันจึงแก่อเพราะว่ามันดื่มเหล้ามั่งมันถูปูรีมั่งมันก็เลยแก่มันก็แก่เร็วทีนี้แก่เร็วเนี่เราอยู่ในวัดเราไม่มีอะไรมากเราเป็นพระปฏิบัติธรรม มันก็ไม่แก่ถึงขนาดนั้นนี่เราจะเห็นชัดเจนเลยเห็นความแก่เห็นความแก่แล้วก็นอก้อมกรรมมหาตัวแต่เราก็แก่เขาก็แก่นี่ถ้าเราไปเห็นเด็กมันหนุ่มมันสาวไอเรานั่นแหละแก่แล้วมันแก่แล้วแล้วก็ต้องอย่าลืมมองกรรมมหาตัวเองก็มองกรรมมหาตัวเองเราก็จะเห็น อันนิดจังมันเป็นอย่างนั้นทุกขังมันเป็นอย่างนั้นอนัตตามันเป็นอย่างนั้นถ้าเดินทางนั้นจยปลอดภัยต่อไปก็จะเห็นสุญญาตาที่นี้ถ้าเห็นสุญญาตาแล้วจิตนั้นอยู่กับเรือนว่างอยู่กับเรือนว่างก็มีเรือนหลังใหม่เรือนหลังใหม่ก็คือไม่ยึดมั่นถือมัน่นว่าง ว่างนั่นคือว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากตัวกูว่างจากของกูได้อยู่เรือนว่างในทีน่นี้สบายอยู่เรือนว่างแล้วสบายพออยู่เรือนว่างเราก็สร้างไปเรื่อยเรื่เรือนหลังนี้เราก็สร้างไปเรื่อยเรื่ตาเกิดตาดับตาว่างเห็นไหมนี่ที่เคยพูดเรื่องสามสบสสิบนั่นแหละ ตานี้ต้องใช้งานทุกวันตาเกิดตาดับตาว่างรูปเกิดรูปดับรูปว่างรูปที่ตาเห็นนั่นแหละรูปอะไรก็ตามที่เราเข้าไปเพ่งที่เราเข้าไปพอใจหรือไม่พอใจตาเกิดตาดับตาว่างรูปเกิดรูปดับรูปว่างจักกูวิญญาณคือความรู้สึกทางตา่าง จากกูวิญญาณเกิดจากกูวิญญาณดับจากปูวิญญาณว่างเกี่ยความรู้สึกทางจาวารูปนั้นรูปนี้ทีนี้ก็ผัดสา่าพรามอย่างนี้มันประกระทบกันตารูปจากกูวิญญาณมันทํางานร่วมกันแล้วพอทํางานร่วมกันแล้วมันก็เกิดผัดสา่าคือการกระทบเต็มรูปแบบผัดส่าเกิดผัดส่าดับผัดส่าว่าง ทีนี้มันกดตามมาอีกท้องพอใจไม่พอใจมันก็ตามมาอีกเวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาว่างเออแล้วมันว่างตั้งเท่าไหร่ลองคิดดูดตาเกิดตาดับตาว่างรูปเกิดรูปดับรูปว่างจักรปู่วิญญาณเกิดจักรปู่วิญญาณดับจักรปู่วิญญาณว่างปัจจาเกิดปัจจาดับปัจจาว่างเวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาว่างแล้วก็ทางหูอีก ทางหูอีกทางหูมันก็ว่างอย่างนั้นทางจมูกมันก็ว่างอย่างนั้นทางลิ้นก็ว่างอย่างนั้นทางกายมันก็ว่างอย่างนั้นทีนนี้ทางมโนมโนคือใจใจเกิดใจดับใจว่างนี่ตัวสําคัญตัวสําคัญว่าไอ้เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจบไปแล้ว แต่ว่ามานอนไม่หลับมานอนไม่หลับอยู่มาคิดถึงมันอยู่คิดถึงมันอยู่ชอบใจก็มาคิดถึงอยู่ไม่ชอบใจเกลียดก็คิดถึงอยู่อารมณ์ตั้งแต่เมืออม่อไรเมื่อไรก็ไม่รู้ออกมาคิดเพราะไม่เห็นว่างถ้าเห็นว่างก็จะเห็นวา่าใจเกิดใจดับใจว่างธ ร, มรมธรรมารมเกิดธรรมารมดับธรรมารมว่าง เพราะว่าไอ้ธัรมารมนั่นแหละมันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายก่อนพอผ่านมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ไอ้สัญญาตัวนั้นแหละมันเก็บเอาไวพ้พอเก็บเอาไว้แล้วมาเกิดใหม่ทีนี้มาเกิดใหม่ไม่เกิดทางตาทางหูแล้วเกิดทางใจมาเกิดทางใจแล้ว เกิดทางใจนี้เราเรียกว่าธรรมารมเรียกว่าธรรมรา ร, รมทีนี้ไอ้ใจก็เกิดตอนที่ใจคิดเราเรียกว่าใจเกิดพอเกิดเสร็จแล้วมันดับใจดับเพราะมันว่างจากตัวตนสิ่งไหนที่เกิดดับสิ่งนั้นมันว่างจากตัวตนทางนั้นใจเกิดใจดับใจว่าง ธรรมารมเกิดธรรมารมดับธรรมารมว่างมาโนวิญญาณเกิดมโนวิญญาณดับมโนวิญญาณว่างผัสสะเกิดผัสสะดับผัสสะว่างเวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาว่างอา้าวไม่อะไรทีเนี้มันว่างทางนั้นเลยไม่ง่มันทำเมนอนไม่หลับ ต้องไปกินมันยานอนหลับนอนเลิบอะไรอย่าปกินมันช่างหัวมันกูนอนมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ น, นู่นคืนนี้นอนไม่หลับมันจะเป็นอะไรไปนั่นบอกมันอย่างนั้นบอกมันอย่างนั้นนอนว่างทีนี้นอนกับใครอะนอนกับว่างตาก็อยู่บ้านหมอยเทียนไปอยู่บ้านโง่โงอยู่บ้านหมอยบ้านว่างหูก็อยู่บ้านว่าง จัดให้อยู่บ้านว่างจะมูกลิ้นกายใจให้อยู่กับบ้านว่างในบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้สร้างเงินเป็นแสนเป็นล้านล้านหลายหลาล้านเป็นร้อยล้านก็มีมันไม่ว่างมันบ้านกูมันบ้านกูนนกทีนี้บ้านนั้นมีไว้ทํางวิ่มีไว้สําหรับร่างกายบ้านนั้นบ้านที่เราอยู่ทุกวันนั่นแหละ มีไวหวจะมาร่างกายเท่านั้นแต่ว่าบ้านของจิตยังไม่ได้สร้างฉังนั้นเรามาที่นี้เรามาสร้างบ้านมาสร้างบ้านให้จิตของเราให้จิตของเราได้อยู่กับบ้านว่างบ้านว่างสร้างให้จิตสร้างให้จิตตาก็ได้อยู่หูก็ได้อยู่จมูกก็ได้อยู่ ลิ่นก็ได้อยู่กายก็ได้อยู่ใจก็ได้อยู่ได้อยู่บ้านว่างได้อยู่บ้านว่างว่างว่างนี่อยากคิดว่าว่างไม่มีคือมันว่างจากตัวกูมันว่างจากของกูที่พูดมาตั้งหลายปีแล้วเรื่องว่างว่างวางวางว่างเนี้ยท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจใช้เวลาสิบ ปีท่านว่าอย่างนั้นต้องใช้เวลาสิบปีในการพูดเรื่องความว่างนี่ใช้เวลาสิบปีแต่ถ้าคนปฏิบัติจริงอ่ะไม่ถึง10บปีหรอกมันก็จะรู้ถ้าก็ไปภาวนาค่หรือภาวนาว่าตาว่างหูว่างจมูกว่างลินว่างกายว่างใจว่าง คือเราโอเพียงแต่ว่าไอ้ตาเกิดตาดับตาว่างหูเกิดหูดับหูว่างเรีว่าเจ้าปล่อยให้เป็นล็อกเลยตาเกิดตาดับตาว่างรูปเกิดรูปดับรูปว่างจักรูวิญญาณเกิดจักรูวิญญาณดับจักรูปวิญญาณว่างผัสจารเกิดผัสจาดับผัสจาว่างเวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาว่างนั่นไปเป็นล็กของมันเลย ที่ในหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันนี่พอเราข้าใจอย่างนั <concepts> like um. ้นแล้วพอข้าใจอย่างนั <just smile>. ้นแล้วเราก็ว่าตาว่างหูว่างจมูกว่างลิ้นว่างกายว่างใจว่างเราก็ว่าไปเาว่าไปเตรียมพร้อมไปตลอดเวลาคือเราเตรียมพร้อมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแตนี้เวลาตายทําำยังไงเราก็ตายว่างว่างตายว่างว่าง นี่มันจะมีแต่ความว่างควบคุมควบคุมเราเอาไว้นี่คือความไม่ยึดมั่นถือมัน่นถ้ายึดมั่นถือมัน่นแล้วมันก็ไม่ว่างไม่เหมือนกับภาษาคนว่างภาษาคนนี่คือว่างไม่มีอะไรว่างไม่มีอะไรไม่มีคนนั่งอยู่ในนี่ไม่มีตัวอาคารนี่ไม่มีวัดนี้มันว่างแต่ว่านี่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาษาโลกุตระ นี่คือว่างดังนั้นเราจะต้องยกฐานะของเราฐานะของจิตให้มันสูงขึ้นไปเรนี่ที่วางจัลโลกแกนเอาไว้ว่าดับแล้วก็ว่างว่างแล้วต่อปลปอะไรอีกว่างนี้ก็ต้องทําให้จนชินนะต้องทําให้จนชินไม่ใช่ทาเพียงนิดนิดหน่อยหน่อยหลวงพ่อทํามากี่ปีแล้วก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วจําไม่ได้แล้วทีนี่ บ้านของเราเราก็จะต้องปรับปรุงอีกไม่ใช่แค่นั้นบ้านว่างบ้านว่างเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้านว่างมันต้องสงบดิมันต้องสงบีิบ้านว่างฉะนั้นคนเวลาใกล้จะตายนะเขาก็ต้องบอกทางบอกว่าสงบเอาไว้สงบเอาไว้สงบเอาไว้ ไ, วไ้จิตนั้นสงบ เราไม่เข้าใจคําว่าสงบเราไม่เข้าใจเราเข้าใจเพียงว่าพอพอนั่งสมาธิก็จิตสงบเป็นสมาธิเนี่ยก็พิจารณาพิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือเรายังไม่ชนานาญอนิจจังทุกขังอนัตตาพอจิตสงบแล้วก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นจิตสงบทีนี้ไอ้สงบตามธรรมดา สงบตามธรรมดาถ้าเราไม่กลัวถ้าเรากลัวเนี่ยมันก็ไม่สงบแล้วเอ้ยเราขึ้นมาบนนี้แหละเราเดินมาคนเดียวโอ้ยไปเที่ยวในตลาดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพราเราขึ้นมาบนนี้โอ้ยมันโล่งไปทีเนี่ยดูสิผมมันโล่งไปทีเนี่ยนั่นเนี่ยคือ เพราะว่ามันสงบพอขึ้นมาบนนี้เราก็มาสัมผัสจิตมาสัมผัสกับความสงบจิตสัมผัสกับความสงบแล้วเป็นยังไงทีนี้เออสบายบอกตัวเองเออโล่งไปทีหนะึ่งสบายไปทีหนะึ่งสบายไปดีทีนี้มันไม่เท่านั้นดิมันไม่เท่านั้นดใไอสงบนั่นแหละคือพระนิพพานแล้ว อุปาสมายะเพื่อความสงบอาภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสำโพธายะเพื่อความรู้เพราะนิพพานายาสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานไปดูในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นไปเพื่อนิพพานเพราะฉะนั้นบ้านของเรานี้ก็จะต้องปรับปรุงไปเรื่อยจากบ้านที่ว่าง ต่อไปบ้านสงบหาบ้านสงบไม่ได้บ้านสงบก็อยู่ในหลังเดียวกันนั่นแหละแต่มันพัฒนาพัฒนาไปพัฒนาไปพัฒนาไปจนถึงความสงบพระพุทธรูปปางสายญาติที่หลวงพ่อกับโยมทุกคนช่วยกันสร้างหลวงพ่อเอาอะไรมาสร้างตัวเองก็มีส่วนในการสร้าง พประรูปนี้ราคาหกแสนห้าหมื่นหแสห้ามื่นหลวงพ่อก็อยากสร้างอยากสร้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปยุกไปโยมเอาสร้างก็ไปสร้างก็ไปสร้างก็ไปแต่ตัวเองไม่ออกสักบาทหนึ่งบอกว่า อ, อนี่มีดีกาณนะวัดนั้นก็โทษกระตินวัดนี้ก็โทษป้าป่ามาเรื่อยเงินแต่ในกระเป๋าของตัวเองไม่ดึงออกเลยแถมยังขอรับยันได้อีก หลวพ่อไม่เล่นด้วยอย่างนั้นไม่เล่นด้วยแม้แต่เรื่องของการลงเว็บไซต์แล้วก็เรีร่ออะไรญาติโยมสร้างเครื่องช่วยหายใจอาตมาก็ลงไปก่อนแล้วสองแสนลงไปก่อนแล้วเงินที่ได้ได้มานั่นแหละเก็บเก็บเอาไว้สองแสนทีพอได้สองแสนก็ ใช้นโยบายในการที่จะให้รู้กันเร็วทั่วถึงก็ลงเว็บไซต์ก็รลงเว็บไซต์เงินมันเหลือเห็นไหมเงินมันเหลือไปตั้งแสนหนึ่งเพราะเครื่องนี่มันหกแสนแล้วก็เตียงน่ะห้า0ม่ห้ า, นหาพนวั น, นกแสนห0มืหพันเงินเหลือไปหนึ่งแสน ญาติยโยมก็บอกว่าเออหลวงพ่อเอ า, ชาใช่หรอไอหลวงพ่อไม่เอาหลวงพ่อไม่ได้ลงทุนหลวงพ่อไม่ได้ทําธุรกิจหลวงพ่อก็เลยคิดใหม่คิดใหม่แล้วก็ทําใหม่ทําใหม่แล้วก็พูดใหม่คิดใหม่ว่ายังไงไอแสนนั้นตั้งเป็นทุนเอาปีนี้เราก็สร้างอีกเครื่องหนึงต้คิดสร้างอีกเครื่องหนึ่งต้อปรึกษานะ สายไปทางกรุงเทพทางญาติโยงก็บ้างว่านี่จะสร้างอีกเครื่องนะเพราะเงินมันเหลือเพราะเงินมันเหลืออยู่ทำยังไงก็คุยไปคนนั้นคนนี้คุยไปที่เชียงใหม่ที่หมอดุลย์ยาที่เขานี่ยมรนไปที่หมอชอเชียงใหม่ก็บอกว่าหลวงพ่อหนูจะออกให้หลวงพ่อสองแสนแต่ยังไม่มี ตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขเพราะก็จะถวายวันที่ไปบรรยายธรรมวันที่สามก ร, รกฎานั่นสองแสนเราก็ยังไม่มีเงินในส่วนนั้นเอ็นี้ตอนที่ไปกรุงเทพตอนเดือนมีนาที่ผ่านมาเขาไปเยี่ยมโยมเมตตาคุณโยมเมตตาฟังโยมเม ต, ตาก็บอกว่าอ๋อฉันก็จะออก โยมก็จะออกสองแสนโยมยินดีที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่มีตัวเงินมีแต่ตัวเลขเขาบอกว่าลงไปห้าพันก็จดเอาไว้หมดแล้วไปไปม า, มาเงินครบแล้วหกแสนนี้ครบแล้วขาดนิดหน่อยหลงพ่อใส่เก้าไปเองไม่เป็นไรใส่เก้าไปเองนี่คือเราไม่ได้ทำธุรกิจไม่ได้ทำธุรกิจมีที่จะออก คือออกทีนี้พระพุทธรูปอง์นี้ไอ้บอกว่าห5แส0ห0หมืน่ะหลวงพ่อก็เลยชักเลือดออกมาอีกขายนาพอดีขายนาพอดีข า, าอดขายไป 900,000 0เก0 0 0 0 0ก็ปันให้พี่พี่น้องนองคนละหลายหลายหมืน่นอ่าแล้วก็ชักทีนี้บอกว่านี่ นานี้เป็นของโยมพ่อของโยมแม่นะแต่นานี้พ่อแม่จะต้องสร้างอนุสรณ์ไว้บ้างก็เลยดึงออกมาออกมาคนละห้าพันห้าพันห้าพันดึงออกมาก่อนถ้าให้ไปก่อนแล้วมันไม่ให้อีกนี่ก็เลยเด้งมากล้าห้าพันห้าพันห้าันก็ได้ไปห้าหมื่นเพราะฉะนั้นเศษห้าหมืนน่ะนี่เป็นของหลวงพ่อ หลวงพ่อก็พูดได้เต็มปากว่าพระพุทธรูปปางสยญาตินี้ของพ่อก็สร้างด้วยเหมือนกันด้วยเงินห้าหมื่นบาทและก็โดยการขายนามาทีนี้เกี่ยวกับพระพุทธรูปปางสยญาตินี้ก็เพราะว่าเกิดญาณปางสยญาติขึ้นมาตอนที่ ของพ่อปฏิบัตินะะ่ะแหละเกิดญานปางสยญาติก็นอนอย่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตอนนี้เรียกว่าไม่ใช่ตอนปรินิพานนะคือนอนเล่นเล่นนอนเล่นเล่นแต่ก็นอนภาวนาถ้าเป็นเราก็เรียกว่านอนภาวนาแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปางสายญาติอันี่ภาวนาว่าอย่างไรภาวนาว่า สงบหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกสงบเย็นนี่คือเกี่ยวกับว่างนะยกระดับจากตัวว่างพัฒนาขึ้นไปเป็นสงบนี่บ้านหม่แล้วบ้านนี้พัฒนาแล้วบ้านที่ถูกพัฒนาแล้วต้องพัฒนาไปถึงโน้นไปถึงพระนิพพานนั่นแหละ ที่นีอิสงบนี่ก็คือพระนิพพานว่างก็คือพระนิพพานอนิจจังก็คือพระนิพพานทุกขังก็คือพระนิพพานอนัตตก็คือพระนิพพานชุญาตาก็คือพระนิพพานสงบก็คือพระนิพพานเย็นก็คือพระนิพพานนี่พระนิพพานทังนั้นนี่การเดินสายของพระนิพพาน ต้องเดินสายอย่างนี้นี่คือบ้านที่เราจะต้องสร้างทีนี้พระนิพพานนี่แปลว่าความสงบเย็นความสงบเย็นทีนี้พระรูปนี้พระรูปนี้คือเมื่อหลวงพ่อปฏิบัติแล้วก็นอนแบบพุทธะสยญาติ หายใจเข้าส ง, งบเย็นหายใจออกส ง, งบเย็นหายใจเข้าส ง, งบเย็นหายใจออกส ง, งบเย็นนีนก็มันเหมือนกับร่างทรงอย่างนั้นนอนตัวแข็ง es, มือเท้าก็ตั้งไว้มแบบือึ่งก็อยู่ข้างหน้ามือแขนดีข้างแดงก็ยาวไปตามาข้างข้า ง, า ง, างร่างกายนันย่นแหละตั้งข้างบน เท้าก็เหลื่อมนิดนิดหน่อยหนอยก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นพรานาอยู่อย่างนั้นมันสงบแล้วก็เย็นสงบเย็นอยู่อย่างนั้นเย็นเย็นทีนี้ประมาณเกือบเกือบจะชั่วโมงหนึ่งทำอยู่อย่างนั้นนี่พอมันอยู่ข้างเดียวถ้าอยู่ข้างเดียววันก็จะเมื่อยเมื่อยหลวงพ่อก็ถามในใจถามว่านี่ถ้าเปลี่ยนไปข้างซ้ายได้ไหม ท่านก็บอกว่าได้ไม่เป็นไ ร, นไ ร, รกนน็ถ้าเปลี่ยนไปข้างซ้ายก็คือเราก็นอนเหมือนเดิมนั่นแหละเดินในข้างซ้ายพอเปลี่ยนไปข้างซ้ายเสร็จเอาเมื่อยอีกพอนานนาก็เมื่อยอีกพอเมื่อยอีกก็ถามว่าท่านอนหงายได้ไหมท่านก็ตอบว่าท่านอนหงายก็ต้องเอามือไว้ที่บนอกเอามือขวาไว้ข้างบนมือซ้ายไว้ข้างล่าง วที่บนอกอะไรนี่นนทาอยู่อย่างนี้เกิดนอนอยู่อย่างนี้นานแล้วแต่ไม่รู้ไม่รู้เมื่อสามปีที่ผ่านมานานก็เลยเกิดขึ้นมาอย่างนี้พอเกิดขึ้นมาอย่างนี้หลวงพ่อก็อคิดอะไรทีนคิดคิดว่าจะสร้างพระพุทธรูปจะทำยังไงดีก็ไม่กี่วันก็เลยไปหาดใหญ่ ร้านที่รู้จักกันคือร้านอุมาพานิชที่อยู่เชิงสะพานที่อาจใหญ่ร้านรู้จักสนิทกันเขาก็เป็นมหาป ร, ริญเหมอนกันตอนนี้ก็เสียชีวิตกันหมดแล้วเหลือแต่ลูกสะพ้ายอยู่เขาบอกเขาว่านี่จะมาดูพระมาดูพระพุทธรูปตอนที่ปางสยญาติไม่มีจากรูปเหมือนมีแต่เท้าแขน จะเอาแขนเทา้าหรือกับศียบอะไรที่นอนราบอย่างนี้ไม่มีเลยไม่มีก็ เ, เลยต้องเอาอย่างนั้นบอกเขาว่าฉันต้องการอย่างโน้นไม่ต้องการอย่างนี้เขาก็บอกว่าก็าไม่มีถ้าไม่มีก็ต้องเอาไม่ต้องก็ต้องเอาที่นี้เขาขายพัน200ร้อยรพันสองร้อยสามลิตรเขาบอกว่าก็ไม่เอาหรอกเขไม่เอาเงินหรอก เพราะร้านนั้นเขาไม่เอาเงินไปซื้ออะไรเราก็เอ่ยปากไม่ก็ได้เลยไม่เอาเงินเนลูกสะพ้ายเขาเมื่อนเมื่อก่อนก็เขาก็เอาบ้างไม่เอาบ้างพอเดี๋ยวนี้ไม่เอาเงินเลยทําไมเขาจึงไม่เอาเงินวันเด่งหลวงพ่อไปทำพา ส, สปอร์ตเพราะต้องไปทําที่หาดใหญ่พอไปทําที่หาดใหญ่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่านี่หลวงพ่อ นู๋ขายบัตรกาชาดหลวงพ่อจดซื้อสักใบเถอะโอ้ยนี่จดซื้อไปไหนขว่าซื้อแล้วจะได้รถยนต์จะได้สอยทองคําจะได้นั่นได้นี่บอกว่าพ่อไม่อยากได้แล้ยไม่รู้แลหละนูเอาเลร้อยหนึ่งเพราะจงเงินให้เขาค่าค่านั้นเลยค่าทำพาสปอร์ตนะจงเงินหให้เขาใส่ก็พราะพระบัต้านี่เขาจะ ส่งทั้งซองจากกรุงเทพส่งทั้งซองมันก็เอาไปหมดทั้งซองเลยเพราะฉะนั้นพระกรุงเทพก็จะต้องจับเงินจะต้องจับแต่ถึงเราจับแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นของกูเป็นตัวกูเป็นเงินเป็นทองให้มันเป็นกระดาษไปมันก็จบมันก็จบแต่ว่าเพื่อความประเจิดประเจอ้อที่นี่ก็ได้บัตรมาพอได้บัตรมาแล้วก็ เพราะว่า <c oughs> นี่พระนิดาหลวงพ่อฉันข้าวมาแล้วที่หน้าโน่นเนี่ยหน้าที่เขาทำพาสปอร์ตนั่นแหละแต่ว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ฉันของหวานเลยหลวงพ่ออยากจะฉันของหวานหน่อยฮะของหวานมาหน่อยดิเขากองฮของหวานมาแล้วก่อนมาฉันพอฉันเสร็จแล้วก็บอกว่านี่พระนิดาหลวงพ่อได้ของดีมาอย่างหนึ่ง ถามมาอะไรนี่บัตรกาชาติเธอเก็บไว้ที่เก็บไว้ที้คนถูกเขาไปเอาเอาเองแล้พ่อไม่เอาหรอกยุ่งยากลําบากเดี๋ยวจะรวยอีกก็ให้บัตรกาชาติก็ไว้พอให้บัตรกาชาติาไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็มีโทรศัพท์บอกมาก็าให้หลวงพ่อไปรับของของพ่อถูกรางวันที่สี่อ้ายุ่งแล้วทีนี้ ได้ร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทตายตายตห้แล้วทีนี้ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกว่านี่พรนิดาหลวงพ่อถูกรางวัลที่สี่แล้วนะรางวัลที่สี่ได้ต้องทองคําหนักหนึ่งบาทไปรับด้วยที่โน้น่นที่คุณนายผู้ว่าจังหวัดสงขล้านูก็ก็เลยไปรับ นั่นเนี่ยก็เลยไม่เอาเงินหลวงพ่อเลยไปซื้ออะไรก็ไม่เอาซื้ออะไรก็ไม่เอาซื้ออะไรก็ไม่เอาเนี่ยหลวงพ่อคิดไม่ผิดแล้วในเรื่องนี้นี่เรื่องการสร้างพระพุทธรูปก็จจำประเดิมที่นั้นก่อนพอประเดิมได้มาแล้วก็มาคิดต่อคิดต่อเยเราจะทอยังไงเราจะทารูปให้โตโตกว่านี้พอมาถึงก็ เปิดโทรทัศน์ ด, ดูพอเปิดโทรทัศน์ ด, ดูเขาก็ออกรายการโรงงานสกัดหินเป็นพระพุทธรูปเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้ตใครจะสกัดเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมอ้ทีนี่แหละข้าวทางเราแล้วก็เลยจเบอร์โทรศัพท์พอจาเบอร์โทรศัพท์พอดูโทรทัศน์เสร็จรายการ ก็เลยโทรไปเลยทีนี้โทรไปโทรไปถามถามว่ามันมีหินอะไรบ้างก็บอกว่ามีหินเห็นปูเขาไฟมันมีสีเขียวกับสีแดงสีเขียวกับสีแดงก็สกัดทีนี้ถามว่าถ้าหากว่าพระพุทธรูปบางสายญาตินี่ยาวจากทองเม็ดนี่ จะเอาเท่าไหร่ก็บอกว่าหกหมื่นห้าพันหกมื่น้าพันนี่ก็เลยบอกเออแต่อย่างนั้นก็จะจะมาติดต่อจะมาติดต่อก็ก็ เ, เลยอยู่ไม่นานก็เลยไปที่นี่ไปบุรีรัมนูหละโอ้ยมันแสนที่จะลําบากเพราะมันเครื่องมันไม่ได้ไปโรงที่บุรีรัมไปโรงดอนเมืองโรงดอนเมืองแล้วก็ขี่รถไฟไป ขี่รถไฟไปถึงไปถึงบุรีรัมย์ก็มืดกลางดึกเลยไปถึงกลางดึกเขาก็ออกมารับออกมารับแล้วก็ไปนอนที่โรงงานก็ไหนละสองคืนก็ก็พาไปเที่ยวโนู่นเที่ยวนี้เที่ยวนั้นก็ทําอยู่แล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งคือให้รูปแบบเข้าไปแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งไปดูไปดูก็เลยไปวางแผนเองเลยทีนี้โอ้ก็ทํา ศีษาก็ไม่สวยปากก็ไม่สวยคิ้วก็ไม่สวยนี่นอนคิดอยู่คืนนั้นว่าเราจะทํำยังไงเราจะทํำยังไงเรื่องนี้มันเกรงใจไม่ได้เกรงใจแล้วเราจะไม่ได้ของดีเลยก็เลยพอตอนเช้าก็บอกเขาว่าเนี่ตาต้องทําอย่างนี้จมูกต้องทําอย่างนี้ปากต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเรามีแบบให้แล้วต้องทําเหมือนแบบ แน่รวนมากก็พวกขเขมรในช่างเป็นขเขมรทั้งนั้นก็ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เลยไปคุมก็บอกตัวเองว่ายังไม่กลับก่อนต้องคุมให้เขาทำหน้าทำศีรษให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะกลับไม่อย่างนั้นไม่กลับก็นั่งคุมทีนี้นั่งคุมนั่งคุมอยู่ตอนกลางคืนก็ทำล่วงเวลาไปล่วงเวลาก็เลี้ยงเขาอะไรเขา นายจางอะไรเลี้ยงเขาอ๋อฝนก็ตกพรำพรำลงมาอีกตกพรำพรำเาก็เอาผ้าพลาติกอะไรมามาโมงข้าวโม้าก็นั่งตายผ้าพลาติกั้งแตายผ้าปลติ ก, ก็คว้าก็ผ่าเปลี้ยงลงมาบอกว่าฝ้าอะไรอย่างนี้ไม่แม่นเลยตาแม่นเน่ยต้องลงบนหัวฉัน ท, ท, ที่พวกนั้นตกใจเลย พวกจ้างก็ตกใจเฮ้ยวงพ่อพูดอะไรนั่นบอกว่าจันไม่กลัวหรอกฉันไม่กลัวก็จังหัวมันยังไงฉันก็ต้องตายอยู่แล้วมันตกใจเรานี่ไม่ตกใจไม่กลัวนั่นแหลทำมาพระพุทธ ร, รูปปางสยญาตนั่นแหละทีนี้ตอนนั้นก็ไม่มีตัวอาคารไม่รู้จะทำยังไงพอโ น, โนนี่เก็บไว้ที่สูนกัญชรานที่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เป็นหินสีเขียวตากแดดตากลมได้สบายนั้นไม่มีปัญหาหรอกราคาก็ถูกกว่านั่นเริ่มทำตอนแรกก็ได้หุ้นมาได้หุ้นก็ได้เพียงปรปาบสยญายติก็เพียงโศกเดียวขยายเป็นใหญ่ขึ้นมาพอใหญ่ขึ้นมาก็มาทาอาครารหลังนี้ทีนี้อาการหลังนี้จุดประสงค์ ก็เพื่อที่จะเอาพระพุทธบาทนี่เอามาวางในนี้แต่ว่าความคิดมันก็เลยเถิดไปอีกต้องสร้างอีกพระพุทธบาทนี่ก็เกี่ยวกับความว่างเหมือนกันดูที่ส้นประบาทของพระพุทธเจ้านะ่ะจะมีวงกลมๆ ม, มีวงกลมๆอยูอ่นั่นก็คือว่างนั่นแหละสุญญาตานั่นแหละสุญญาตาทางนั้นถ้าเราไปเมืองจีน หลวงพ่อก็หาอยู่แต่ละรูปแต่ละรูปก็จะไปเจอความว่างนั่นแหละเจอความว่างนั่นแหละทีนี้ความว่างนี่มีหลายสั ญ, ญลักษณ์นอกจากวงกลมแล้วนะนอกจากวงกลมแล้วก็จะมีอย่างอื่นเช่นสมมติว่าเขามีพระพุทธรูปเรื่องอะไรอย่างนี้อ๋อก็มีอย่างนี้เขาทํามืออย่างนี้ในมืออย่างนี้ในมือก็จะมีดวงตา เขาจะมีดวงต า, าวายนั่นคือจักปุงอุตปาทิดวงตาปัญญานั่นคือเริ่มที่จะเข้าไปสู่ความว่างแล้วดวงตาปัญญานั่นก็คือว่างทีนี้หลายอย่างเรียกว่าหลายอย่างบางองค์พระเซนนี่ก็จะมีที่หน้าผากนี่ปูดออกมากลมๆนั่นก็คือสั ญ, ญลักษณ์ของความว่างบางองค์ก็มีที่บนศรีรษะเลยกลมๆอย่างนี้ นั่นก็คือว่างเหมือนกันว่างทั้งนั้นเลยคือสั ญ, ญลักษณ์ของความว่างทั้งนั้นนี่เขาทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าทาเป็นสั ญ, ญลักษณ์สั ญ, ญลักษณ์ของความว่างฉะนั้นความว่างนี่เป็นชีวิตจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วก็ยังขยเยิบขึ้นไปอีกเป็นความสงบเป็นความสงบอีกจากว่างแล้วเดินไปหาความสงบ หาความสงบหาความสงบเรียกว่าเหมือนเด็กที่กำลังกินนมอยู่ทีเดียวแหละกินนมแม่น่ะม่ใจกินนมกระป๋องเหมือนเดียวนี้เด็กกินนมแม่หรือหรือจะเปรียบก็เหมือนกับว่าลูกของญาติโยมบางคนเนี่ยที่เล็กๆเกนี่ยก็ให้เล่นเกมให้เล่นเกมมีในเนี่ยมือถือเนี่ยเกมในมือถือ งพ่อก็ไปเห็นว่าโอ้นี่เขาเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอย่างนี้เลย้อาให้เกมเลี้ยงลูกลู ก, ล ก, กติดเกมกินข้าวก็ต้องเล่นเกมทำอะไรก็ต้องเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมเป็นเด็กเกมไปทีนี้เราก็ติดเหมือนกันไม่ใช่ติดเกมคืเราติดอยู่กับจากความว่างแล้วจากความว่างแล้วเราก็ยกระดับขึ้น เป็นความสงบเพราะเป็นความสงบนี่เราได้สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วบ้านเดิมนั่นแหละแต่ว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นเป็นบ้านที่สงบสงบสงบสงบสงบหายใจเข้าสงบหายใจออกสงบเดินสงบนั่งสงบนอนสงบกินสงบดื่มสงบทำอะไรก็สงบสงบสงบสงบสงบเหมือนเด็กติดเกมอย่างนั้นสงบ อยู่กับความสงบอยู่กับความสงบแล้วมันไม่ฟุ้งร้านมันไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ทางตาทา ง, ทา ง, ทางหูจาหมูกลิ้นกายใจมันไม่มีอารมณ์เมื่อมันไม่มีอารมณ์มันก็อยู่กับความสงบนี่คือบ้านบ้านของเราทุกคนที่เราจะต้องสร้างสร้างเพื่อให้เจ็ดอยู่แต่บ้านในปัจจุบันของเราี สร้างให้กายอยู่บ้านที่สงบนี้สร้างให้จิตอยู่ทีนี้จิตมันก็จะได้อยู่กับความสงบตัวนั้นพออยู่กับความสงบมันก็เย็นมันก็ไม่ฟุ้งซ่านมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่ฟุ้งซ่านอะไรเลยแล้วมันเพ้อไม่ได้เพราะเพ้อได้ก็มาอยู่กับความสงบเพรอแ้ก็จะอยู่มาอยู่กับความสงบจะอยู่กับความสงบ จะไม่ไปไหนไม่ยอมไปไหนอยู่กับความสงบ <S <S <S จะไปนั่งที่กลางจมนุมชนอะไรก็ตามใจมก็อยู่กับความสงบอยู่กับความสงบอยู่กับความสงบอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าจิตที่สงบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวตายเรามีบ้านอยู่แล้วตายก็ตายสงบอยู่ก็อยู่สงบตายก็ช่างมันกูไม่ได้ตายร่างกายมันตายร่างกายมันตาย แต่ว่าจิตมันอยู่สบายแล้วอยู่กับตัวสงบคือความว่างที่สงบความว่างที่สงบฉังนั้นเราจะต้องพัฒนาพัฒนาความว่างนี้จนไปถึงตัวความสงบนี่หลวงพ่อปฏิบัติมันก็ถูรูถูกังถูรูถูกังอยู่อย่างนั้นกว่าจะรู้จริงกว่าอะไรจริงหนังสือก็ไม่อ่านถ้าปฏิบัติรู้แล้วจึงอ่าน แต่ไม่รู้ยังไม่อ่านทีนี้อ่านมันก็เพิ่มความรู้ขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา อ, อ่าวนี่ที่เราปฏิบัตินี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่า ง, น, น, งนี้มันถูกต้องแล้วนี่มันถูกต้องแล้วที่เราปฏิบัติมานี่มันถูกต้องทุกประการแล้วทีนี้อย่างที่ในพระใจบิดก์ในพระใจบิดกที่ประเดชรกุลท่านอาจารย์พุทธทาตท่านลอกมาแปลมาจากพระใจบิดก มันก็เหมือนทุกประการแค่ก็เราอ่านแล้วเราก็เออใช่เออใช่เออใช่เราก็เข้าใจนี่มันก็ยิ่งเข้าใจเพิ่มขึ้นยิ่งรู้เพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นมันก็มีความหนักแน่นเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นเราก็จะได้อยู่กับบ้านที่สงบดังนั้นไอ้ตัวความสงบตัวนี้เนี่ยมันจะสงบยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนี่มันก็สว่างแล้ว ก็นะให้ทุกท่านเอาซีดีม้วนนี้ไปฟังๆๆๆฟังใหงหลายเที่ยวฟังแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นต่อไปก็จะเห็นเหมือนที่หลวงพ่อพูดนี่หลวงพ่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อมีเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ตักตุนเอาไว้หลวงพ่อไม่ได้กลัวว่าเออเดี๋ยว พระอื่นไปพูดได้เราก็จะไม่ดังดังก็ช่างหัวมันไม่ดังก็ช่างหัวมันเราอย่าไปดังเลยให้ธรรมะนี่แหละดังเมื่อเขาปฏิบัติแล้วเขาเห็นจริงแล้วเขามีจิตว่างแล้วเขามีจิตสงบแล้วให้ธรรมะดังในดวงจิตดวงใจของเขานั่นแหละแล้วเขาก็จะได้ พูดต่อต่อไปสอนต่อต่อไปแนะนําต่อต่อไปแก่เพื่อนที่เราควรที่จะแนะนําได้นี่เรียกว่าดังดังอย่างนั้นไอ้ดังอย่างนั้นแหละมันไม่เสียหายถ้าดังว่าโอ้หลวงพ่อเอี้ยนดังแล้วตอนนี้มันดังบ้าบ้าอย่างนั้นอย่าเอาเลยไอ้ดังจับมัยเนี่ยมาดังทุกทีแหละเอามัยมาถึงพูดมันก็ดังแล้วเอามาพูดมันก็ดังแล้วไม่ได้ดังถึงภายในของจิตใจของญาติโยม ดังบ้าบ้าบอี๋ยวไปเอาดังอย่างนั้นมันดับไม่กี่วันมันก็ดับแล้วก็ดูที่เอ่ยชื่อนอยเจ้าคุณพยอมันดังอยู่กี่วันเห็นไหมพังแล้วตอนนี้มันก็ดับแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครดังอย่างนั้นก็ดับนี่อาตมาเองก็เหมือนการระมัดระวังตัวไม่ให้ตัวเองนี่ดังให้เสียงมันดังให้เสียงนี้เข้าไปอยู่ในจิตใจของญาติโยมจิตใจของญาติโยมจะได้ปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วเกิดธรรมะขึ้นมาในจิตใจของญาติโยมเกิดเห็นความว่างขึ้นมาเห็นความสงบขึ้นมาจิตใจก็ได้อยู่กับความสงบกิเลสก็ดับป้อยดับปไปดับไปอยอย่างนั้นชื่อว่าดังพระพุทธเจ้าสองพันหรสสิบสี่แล้วปีนี้พระองค์ก็ดังมาพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็ดังมาดังที่ไหนดังในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยากดังอยากดังเพื่อลา่าเพื่อยุดเพื่อชั้นเสริญเพื่อความสุขอย่าไปดังอย่างนั้นมันกิเลสตัณหาทั้งนั้นเลยเอาให้จบกันทีตอนนี้ค่อยว่ากันใหม่ตอนค่าขอความสุขความเจริญในธรรมจงเกิดมีในจิตในใจของญาติโยมทุกทุกทิภาราตรีการเดิน